มันก็ต้องม ว่าทานเด an ิระที่มีมูลมันพรนสูงพวกเรามาเพระว่าเพื่อมาเข้าร่วมในงานปัญญาท่านหลายคนที่ได้มาพบ่าสัมผัสมาลุกหลงก็ทำให้ท่านตัวเองยอมรับสิ่งเดียวกันว่ามว่าคัูใจ เมื่อไดที่มีความตั้งใจที่ประกอบของมาจากอาศและอาจตัดสินญาติเราต้อที่ไดที่สำคัญก็คือประจักษ์เตุการณ์หงว่าหลวงพ่อเป็ตผูที่มีความตั้งใจไม่โก ในวันไหต่อราชสกุต่อโลกธรรมทั้งฝายเดีวกันฝ่ายเียวกันลาว่าถ้าท่านมีฝาลังยึดถือมันในบุตโดยน้อยคที่จะเห็นท่านแสดงความโกรธแสดงความไม่พอใล่าว่าไม่ดีใจเที่เขาไม่ดีใจท่าน อยากจะพูดได้ว่าหลายคนก็ได้เห็นงอาารยนหนึ่งราวคนที่ไม่บังคับเลยจะพูดก็ได้ว่าท่านเป็นราทีติบุตรบางคไม่บังคบเอาเลยก็ว่าแต่หลายคนที่ไม่อยู่กับสัมผัสท่านได้สัมผัสท่าน ได้ได้ที่นนแต่ก็มีศรัทธาในตัวนั้นเพราะศรัทธารับใจในคอของหลอหลงพได้ให้ธรรมที่สามาเปยนจิตเยตของผู้วาแม้จะไม่ได้รับัตว ทันอาจจะมีความสามารถในการนโทษให้ลาบแต่ยาแต่สิ่งที่ัน่านกับพวกเราคือมีมากว่าโทษและลาเพราะว่าความที่ได้รับการนสามารถจะต่วนให้เราเข้าสู่ความไม่ถูก หรือว่าใจความคือสิ่งี่ต่าที่มีค่าที่ีกว่าพระพย์สินเองความมหรือว่าโลกความฝ่ายทั้งหมดทั้งสอนเราพ่อให้เราอันมาพุทธมาโดยไม่ใช่เป็นมาพ่อหรือไม่ใช่พป็นมาสุ่สาิง แต่การตาทั้งทั่หลวงพ่ในสมัยยุคเดท่านควาจัดเกสำในเรื่องารดูแลท่านเคยอความช่วยบันขับไล่โรคภัยด้วยนัานั่งาในทาเรื่องกาหองหางครอบคร ให้บำเพ็ญบเพเ็นาแต่เมื่อเข้าใจมาปฏิบัติธรรมต่ก็ตืเข้าใจธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงกาเหินว่ากิิตัญาในาล่นี้ไม่จะเป็นที่ของผู้ใครอย่างแท้จริงนั่นเราว่าเมื่อกาเพบุารม ตามสของก็คือเรื่องสลียวสาเรื่องวิริปัญหาก็ดชื่อไปจากจิตใจของท่านและท่านก็รับทิ้งสิ่งนี้โดยสิ้นเชิงอันบรรพกาผู้คนให้ได้เู็นกธรรมะของพระสัาสัมพุทธเจ้าโดยอาแนวทางการเคาื่อนไหวของอค์ก็คื ซึ่งเป็นงานการงางการคนเราบางคนเนี่ยนดยหลักการมความค้มกันโเราต้องร่วมกับคามเจริญควาเดือความตาความร่งสุดๆแต่ที่นี้เราจะมีาวะร่างกายางการทั้งคนแต่เราสามารถรั่างกายคน ให้ความทั้งตัวรู้จักกนี่คือสิที่ว่ก็ลัได้สอนแต่สิ่งใดท่านจะเน้ให้พวกเรานั้นหันมทั้ตัวเลยซึ่งตัวเองด้วยการทาความรู้ตัวซึ่งตัวเองด้วยการหันมารู้จังตารแน่นใหญ่เพราะว่า ความแจในความปไปงใจแรงใจโดยมันติมีความรึกตัวเป็นสุปกรจะสามารถํามาให้เราคนตลังฟังได้คนเราถ้าขาดการรู้สึกตัวแล้วนี้ว่ามีความรูกแจ้งดยและจะนมาดี ภาพกาปัจจัความรู้สึกตัวความดีนั้นก็อาจกระจายเป็นความชั่วหรือก่อให้จับกลับเช่นการให้ทางโดยไม่ดูความรู้สุตัวการให้ทางนั้นอาจจะเป็นการเติมแต่งตงมที่เหลของเราให้มากขึ้นทาให้เป็นรูกพร้อมการให้ทางนั้นเช่น้เพราะว่า ทำดูได้น้อยเกินไปหรือว่าผูเรามีคนมาแย่งชิงตัดหน้ า, าการทำดูของเราอยากจะทำดูแต่แถวปัญญาโไปเจอก็เกิดความดอันนี้เพราะว่าไม่มีความรู้สึกก็ทำให้าการทำุูนั้นเกลายเป็นการสัง่งสคนคนละคนในแต่ละที่ได้ การรักษาสิลก็เช่นเดียวกันถ้าปราศจากความฉกตัวแล้วก็อาจจะเกิดความมั่นมั่นผมตัวจนว่าเป็นผู้เป็นิีและอปคความสุขตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเดินมาเวลาหรือการเป็นการศึเพราะว่าเราวามสวนที้เที่ยงให้ ได้เห็นความจริงของการไดใจและก็พบว่าได้ดื่มแล้วนความคุ้ใจของคนเรามันก็ล้วนเกิดจากสารหลงการเดินเข้าไปในความคิดในอารมณ์ในความรู้สึกดูแลก็เขียนสอนให้เราได้ตัดงความสำคัญของสติ ไอ้สดตวัวนั้นเป็นมตาที่ทาให้เราได้เข้าทันความรู้สึกที่ถุกแต่ขึ้นมาในจตใจคนเราทุกข้อความคิดหรือทําให้่ทุกข์ก็คือทุกขรไม่เห็นความคิดทุกขไม่รู้ทันคาคิดและเพรหตุนั้นเอง ความทีทุกขแต่ขึ้นมาเพ่ความหลงเพื่อความไม่รู้ัวเพื่อลำาความทุกข์มายั่งยืมาเจ็บใจเราทุกครั้งที่เกิดขึ้นไปถึงเหตุไรเงี้หรือว่าไปกังวลกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณใจไปนทางตายลหรือว่า ความิท <ừ, S 1> ี่คุ่มแต่ไปด้วยอนาจของความโลภความโกรธความโมหลวอเคยาฟังว่าเมื่อสึกหรยี่สปีก่อนเคยมีพระนึ่งเดือนมาปฏิบัติธรรมที่ชายเป็นคนพาพระนุ่นท่านนั้นเนี่ยสีหน้าหน้าตาไม่มีความสุขเลย เพราะว่าไม่ได้มีเจตนาจะมารวยแต่ที่ชายมาขอให้รวยเมื่อมันยู่กับท่านหวงพ่อก็ให้ศึกปฏิบัติด้วยการเดินลงตรสร้างจังหวเขาทําได้หรือเขาอยได้เพ็ยแน่วันสองวันเขาก็มาขอศึกจากหลวงพ่อหวงพ่อให้เส้นให้ยังอ็ให้เข้าไปปฏิบัติต่อไปนโลงตรงต่อ เขาหายไปสัมภักแล้วเขาก็กลับมาขอสุขีหลวงพ่อก็ประทุษเขาไม่กอมใจหายไปสัมรับแล้วกลับมารบเรา้าดึงดันว่าจะสึกให้ได้เพราะว่าเขามาบวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพื่อปฏิบัติแค่มางตัวเฉยๆคือรับปากที่ชายไว้แต่ตอนนี้ก็ผู้ใหญสองวานแล้วถึงเวลา กระสุดสติหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าอะไรทําให้ท่านมาสุดกับผมเขาตอบว่าทิ่แรกเขีคิดซ้ำแล้วเขาก็ตอบว่าความคิดรับหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าคนเราเนี้เมื่อมันคิดแล้วเนี่ยต้องทําตามความคิดทุกอย่า ง, างถ้าเราทาตามความคิดทุกอย่าง ไม่แย่แล้วพอก็ไล่ให้เขาตลอไปปฏิบัติต่อวันรุขึ้นเช้าตูพอเขาเป็นพ้อเดินมาถ้าทุกีก็ตรงมาหาหลวงพ่อแต่แทนที่จะตงเราข่สืบกลับกลายหลพ่อด้วยความเคารพแล้วก็บอกว่าขอบคุณหลวงพ่อที่มาตับตวงเขา ไม่ให้สิทธเพราะว่าเขา่อสุดตั้งแต่เมื่อวาเขาก็คงจะฆ่าคนไปแล้วเพราะว่าสองวันผ่านาปภาคิุติที่จะเลื่อนจาจะหาปืนเพื่อไปฆ่าคนสองคนเข้าใจว่าคนจะมาเป็นอริยาจูเขาคิดกันตลอดเวลาว่าจะหาปืนจากไหนและจะฆ่าอย่างไร ถ้าสรแล้วจะหลบไปอย่งไหรไม่ให้ตำรวจจับได้แต่การที่หลวพ่อมาทักค้วงเขาทำให้ได้เสด็จขึ้นมาไม่ทำตามความคิดนั้นสุดท้ายก็เลยไม่เสุ็และตัวต่ออีกหลายปีจนกระทั่งมรณภาพในท้ายสุดหลวพ่อได้ชี้แล้วชี้เล่าว่า ให้เราฝันมีสติรู้ทันความคิดเห็นความคิดนี่อารมณ์อยาเข้าไปเป็นและถ้าเราเข้าเป็นเป็นเมื่อไรความทุกข์ก็จะครอบครองจิต ใ, ใจเนะราได้ง่ายหลวงพ่อสอนให้เรารู้เท่าทันความคิดด้วยใจที่เป็นกลางต่างได้พูดเสมอ ว, ว่าให้รู้สึก รสกรู้ส้เฉโดยไม่ตัดสายโดยไม่ฝ่หาหรือว่าหลงติหลงเริงการที่รู้สู้ซื่อก็จะทำให้ห็นาจแน่ใจตามความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นจนบนรลุกระบวสมุปมายาที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาโดยราะมายาภาพเกี่ยวกบตน ที <emás S 2> ่ทาให้เราคิดว่ามีตัวตนแต่ไจ้คิดแล้วมันไม่เป็นตัวเรามันมีแต่รูปกับตามันมีแต่กายกับใจแต่เป็นข้ความไม่รู้ตัวเป็นขอความโล่จึงทุกแต่งตัวส่วนขึ้นมาบดบังความจริงเกี่ยวกับกายและใจเอาไว้แตว่าเรามีสติและ มองสิงต่างๆด้วยใจที <Prime> ่เป็นกลางถึงืูงสุอก็จะเห็นความจริงเกิดลำดับไปไม่ใช่เพียงแค่กายใหญ่รูปามแต่ยังเห็นความเกิดลดับของนามรูปเห็นอธิจังทุกตางันต่างมองคนรู้ส่งคนจนไปเห็นึงปรมัตดูความคิดทัสูงสุดซึ่งจะทำให้ปล่อยวางจากความติดมันในชั่วตนได้ ซึ่งตรงนี้แหละที่จะเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ทำให้จิตเย็นสรายจนกระทั่งอยู่ในสภาวะที่ที่พ่อชอบใช้คว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือว่าไม่สาคัญว่า น, นายว่าขันเป็นนั้นเป็นที่เพราะความสำคัญว่า น, นายเช่นนี้มันเป็นมันเดินจากความยึดติ์ ด้วยอํานาจของปาร์ตาด้วยอำนาจของความโกลในตัวของตูเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ยึดมั่นในความเป็นเช่นนั้นมันก็จะไม่มีทุกเกิดขึ้นได้แต่เพื่อกระตานที่เราสำคัญตั้งสายว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นคนไทยเป็นพระเป็นนักปฏิบัติ เป็นคนเก่งเป็นคนใช้เก่งความรู้ก็จะเกิดขึ้นได้เพราะความสําคัญท่านสายที่ว่ามันมันเจือได้วยดีเลยและถูกครอบครองด้วยอุปการะสมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่เกิดใจของคนละชนชีพอยู่มีพรานคนชื่อโทนําปราได้เห็นพระพุทธเจ้าเดินอย่างสง่าสมบัติสมรณ์ราศี ก็เลยถามพระองค์ว่าท่านเป็นเทวดาใช่ไหมพระพุทธเจ้าปฏิเสธเขาก็เลยถามว่าท่านเป็นคนยังไใช่ไหมเพราะองค์ก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันเขาถามต่อเพว่าท่านเป็นดังใช่ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธสุดท้ายเขาก็เลยถามว่าท่านเป็นอะไรใช่ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธเช่นเดียรามก็สงงว่าตกลงพระพุทธเจ้าเป็นใร พระอก็อธิบายว่าอาสวะวิเลที่จะําให้เป็นคนสาคัญตนว่าเป็นเทวดาเป็นคนพันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เราได้ล้างแลว้วได้รื้อถอนของศิลแลว้วและพระองคก็อธิบายต่อไว่าดอกตัวเกิดในน้ําโตในน้นานาําแต่ตั้งอยู่บนน้ํา และน้ำไม่อนานขาดิปได้สันใดเราก็เช่อเดียวกันแม้จะเกิดในโลกเติดโตในโลกแต่อยู่เหนือโลกและไม่ติงในโลกแล้วก็กพูดัำสอนธรรมต่อว่าอันนั้นก็ขอให้ท่านคิอว่าเราเป็นพุทธคาโพคือใระลกโลกก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรในการไม่เป็นทั้งเทวดาไม่เป็นทั้งยักษ์ไมั้งคนคามไมเป็นมนุษย์ พรมันถึงแคสามุนและทําไปยึดมันเมื่อไรก็จะเป็นทุพรเป็นความยึดด้วยปัจจัยด้วยความมั่นหลงมันหลวงพ่อจะอยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรซึ่งทาให้ท่านสามารถจะอยู่ได้อย่างสงบเย็นนิ่งมั่นคงต่างต่ ไม่หวั่นไหวต่อความมั่นผวแรเปลีปล่ยนใดหลวงพ่อได้เป็นแบบอย่างให้จำศีลอยางดีทสิไม่เฉพาะทำที่ทักนสอนอย่างเข้าใจง่ายแต่มีความลึกซึ้งเท่านั้นแต่หลวงพ่อยังทำให้ดูอยู่ให้เห็นและเย็นให้เราสัมผัสได้ กล่าว่าหล่อทน่านอยู่ด้วยสติโดตลอดอ่ด้วยความไม่นตัวตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาทำกิจการงานหรือเวลาอยู่ในเรื่องปกติท่านแสดงในถึงความมีสติความไม่จินตัวตลอดเวลาแม้จะเจอการกระทบกระแทกเจอการใส่ร้ายฝ้ายศิลปินเจออุปสรรคท่านก็ ยังสงบนิ่มมัน่นคงทำให้อัตมาเป็นไปได้ที่จะติดข้อความตอนใองค์ปณสูตรที่เรียกชื่อว่าจิตของผู้ใดโลกก็ตามถูกต้องแล้วไม่หวันไหวไม่เศร้าโศกร้ายที่ดีเลยข้นอ น, นั้นเป็ น, นองค์ักสูงสุ ด, สดในยามปกติท่านสงบนิ่ม ในยามเจอปัญหาก็ไม่แฟงในยามยําำสรรเสริญท่านก็ไม่ดูอยา่างน้อยเข้าที่เราเห็นจากการที่ได้เห็นใจเฉลิมท่านใช่แต่ตอนนั้นเวลาท่านล้มป่วยอาพาธท่านก็แสดงให้เราเห็นว่าความป่วยนั้นเกิดขึ้นแต่กรรมใจไม่ได้เลิมด้วย บางครั้งท่านชี้ให้ลูกศิษย์ดูลูกศิษย์จนวนคนที่กําลังเศร้าโศกเสียใจที่เองหลวงพ่อป่วยรักษาตัวลยู่ที่โรงพยาาท่านชี้ไปที่คนหล่อ น, นก็บอกว่าคนหล่อนนั้นปว่วยเหมือนกันแต่หลวงพ่อไม่ป่วยและเมื่อท่านอนไหวท่านสุดท้ายท่านก็สามารถจะอยู่กับความเจ็บป่วยได้ โดยที่ไม่ใช่น า, บบนาจาที่ขเื อ, อหรือว่าหวันหวาพร้อมที่จะอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยใจไม่ฟุและพร้อมที่จ ะ, จะเผชิญกับความตายได้ตลอดเวลาจนกระทั่งผู้ที่ดูแลรักษาท่านบอกว่าดูแลก่นพอเอีสบายอย่างก็คือว่าไม่ต้องดูแลจากใจของเอง พ่าปกติแล้วในการดูแลผู้ห่วยดูแลกายไม่พอต้องดูแลใจด้วยแต่กับหลวงพ่อทนเนี่ยดูแลแค่กายก็เพียงพอแล้วส่วนจิตใจไม่ต้องดูแลถ้ตรงเงนภาพท่านต่างหากนะที่สาที่พูดและปฏิบัติเพื่อเสมือนกับเป็นการดูแลจิตใจของผู้ที่อุอปถัมภ์ดูแลท่านะ หลวงพ่อท่านพูดถูกเสมอในยามท่าพากับด้วยการเขียนเป็นบันทึกว่าธาตุสารกำทังชำรุดเหมือนตะเกียงเตียงที้กําลังชำรุดแต่ว่าตอนนี้อยู่กับความไม่เป็นอะไรจากอะไรบางครั้งก็ระึก ว, ว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้เพราะว่าธาตารเนี่ยฉันแทบจะไม่นอยู่ยแล้ว แต่ก็ได้อาศัยธรรมนาพาอาศัยธรรมที่ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อเทียรโดยเฉพาะเรื่องความเกิดจาบของนามารูปก็ทำให้ท่านสามารถเยาาียวามเจ็บป่วยได้โดยที่ไม่ฟุ้งและเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องละสังขารที่ลมท่านก็แสดงให้ ศ, ศิจันทสิทธิ์ได้เห็นว่าท่านพร้อมที่จะจากไป โดยไม่มีความวห่นหาอะไรหรือมีความิตกกังวลตรงไอข้ออ า, ามท่านกำลังคามฉุดตัวเดินตลอดในชัว่วโมงสุดท้ายของการอาภาต่อที่าจะละสายตาท่านมีปัญหาเรื่งองการหายใจมากเพราะว่าเนื้อก้อนเนื้อที่ที่คอของท่า น, นีมันขยายจนกระทั่ง มันกำลังจะฝุดติดลมแล้วก็จะฝุดกำลังจะฝุดนก็ช่วยหายใจช่วงที่การหายใจกําลังติดขัดและลุกสิตกําลังเดี๋ยาเพื่อที่จะลดอาการป ว, งวงของก้อนตรงนั้นนี่ท่านควรู้นะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านควรจะไปรอดแนะ่แต่ถ้าไม่ติดสนุกท่านขอไปเข้าห้องน้าไปท่ายพิษระดเสร็จแล้วก็ล้างหน้าล้างมือให้สะอาด แล้วมานอนบนเตียงโดยที่ไม่ติดใจกับทุกท่านเลยแล้วระหว่างที่หานการหายใจติดขัดรู้สิษก็กำลังพยายามปลอมคนเพื่อช่วยท่านอายรอบตัวสามสิคนท่านก็ขอกระดาษแล้วก็เขียนขอ้อความสั้นๆว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายหมายความว่าท่านอยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ย ได้ไม uh, <c ười> uh, ่ต้องยนแล้วใช่หหลวงพ่อพร้อมจะไปแล้วยันเลยแล้วยันผลขวายเลยท่านรู้ตัวว่านี่คือวันสุดท้ายของท่านเมื่อยื่นกระดาษให้ท่านก็พนมมือเสมือนกับขอบคุณลูกศิษย์ที่ดูแลท่านแล้วก็เป็นการสั่งลาไปในตัวด้วยสักพักท่านก็ หลับตาแล้วใ น, นที่สุดไม่นา น, นจากนั้นลมหายใจก็สิ้นเสียงแล้วก็ไม่พบสัญญาณชีอของท่านอีกเลยในราที่ห้าของวันที่ย3สิามิงหา 2, 2. คือเมื่อสองสาทิตย์ที่แล้วหลวงพ่อถ้าแสางให้เราเห็นว่าท่านอยู่ด้วยสติปว่วยด้วยสติและเมื่อทึศทางตาย ก็ตายด้วยสติด้วยความกลัวนี่คือคําสอนสําคัญที่ท่านมอบให้กับเราเป็นครั้งสุดท้ายว่าความตายแม้จะมีใคหนงคนแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์เพราะความตายเราสามารถจะตายได้ด้วยความสงบด้วยเการที่มีสติด้วยความกัวได้เราไม่จำเป็นต้องทุกข์เพราะความตาย สามารถจะยกติตเหนือความตายจนกระทั่งค้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้ดังที่พระพุทธเจา้าและภูบาจารย์ทั้งหลายได้สอนแต่นั่นเป็นคำพูดที่อาจ่การลึกไว้ในพระไตรปิฎกและเรื่องเราแต่ว่าที่สารสินหารูกสิทธิ์นั้นยังได้เห็นด้วยตาคนเดียวว่าการจากไปเช่นนั้น เป็นไรได้อันนี้ก็เป็นการ้านนะที่ลูกศิษย์ควรจะน้อมเข้ามาพิจารณาว่าเราจะสามารถทำเช่นนั้นได้ไหรือม่เราทุกคนต้องตายแต่เราปรารถนาที่จะตายอย่างไรเราอยากจะตายด้วยาควุรกิธุรา สัต ส, สาหรือตายด้วยควาสมสงบเราอยากจะตายด้วยความหมดเรื่องสติหรือตายด้วยการมีสติจนวินาศอยู่สุดท้ายถ้าเราต้องการตายอย่างมีสติไม่ทุรนทุรายเราก็ควรถึงควาสมสําคัญของการมีตัวด้วยการใช้ชีวิตยอย่างมีสติ ทำปิดการงานต่างๆด้วยความรู้สึกตัวและเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตายเราก็จะพร้อมอาจจะพร้อมถึงขั้นว่าไม่ต้องเตรียมใจแล้วดูแลแค่กายก็พออย่างพ่อข้าพเจ้าเนี่ยในเวลาสร้สำคัญท่านท่านไม่้ต้องเตรียมเตรียมใจอะไรเลยท่านเตรียมแต่รักษากายให้สะอาด เป็นปิสิ้ายของท่านาเรื่องการรักษาใจการปึกใจท่านทำไว้นานแล้วแล้วก็เสร็จนนแล้วพวกเราต่าง่าก ท, ที่อาจจะยังไม่ได้ทำเลยหรือทำติดเพลินน้อยก็ต้องภากเทียนพยายามที่จะนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติหรือว่านำเอาท่านเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตและในการเตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความตามด้วยใจไม่ถูหลายคนก็อาจจะบอกว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาที่จะสุกปฏิบัติแค่ทำมาปจริกันนึ่งแล้วเคยมีคนถามของพ้อทั้งนองนี้หลวงข้อถามว่าถามกลับไปว่ า, วา แล้วทำไมมีเวลาทุกข์ทำไมมีเวลาโกรธเราไปถามตัวเราเองไหมว่าในเมื่อเราไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลาเจริญสติแต่ทําไมเราถึงมีเวลาทุกข์เราถึงมีเวลาโกรธวันนึงเราโกรธไปกี่ชั่วโมงวันวันนึงเราทุกไปกี่ชั่วโมงทําไมเรามีเวลาโกรธทำไมเรามีเวลาทุกข์แต่ทําไมเราถึงบอกว่า ไม่มีเวล า, าปฏิบัติหลายคนมาบอกกาบัตตมาหลังจากที่หลวงพ่อได้ลาสังขารไปว่าเสียดายมาไม่ทันมาไม่ทันคือว่ามากรบาบหลวงพ่อไม่ทันตอนที่ท่านจะมีชีวิตอยู่ที่จริงแล้วเนี่ยถึงจะมากรบาบหลวงพ่อไม่ทันแต่ว่าสิ่งสําคัญวออกว่าก็คือว่าเรายังสา ม, มารถทําสิ่ง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 การที <inadvert> Caesar, ่เราจะเสียเวลาไปกับความทุกขเสียเวลาไปกับความโกรธเสียเวลาไปกับการข้ามตัวในเพราะเสียใจเมื่อหลวงพ่อคำสอนได้จากไปเราควรจะมาตรัสว่าที่จริงแล้วหลวงพ่อท่านจากไปแต่ตัวแต่ท่านไม่ไดเอาสติกลับไปด้วยท่านไม่ไดเอาสติไปด้วยกับท่านท่านไม่ไดเอาความสุนตัวไปด้วยคําสอนของท่านยังอยู่กับเรา อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากสมัยที่พระเจ้าใกล้จะปรินิพพานวันเดียพระอานนท์ก็พาสามเณรจุลทะซึ่งเป็นน้องชายของพระสัลริบุตแล้วก็มาแจ้งข่าวแา่พระเจ้าลัตนสงฆ์ว่าพระสัลริบุตปรินิพพานแล้วพระอานนท์แจ้งข่าวด้วยความเศร้าเสียใจพระเจ้าก็เลยถามพระอานนท์ว่า เมื่อสาเลีมุดไปสาเลีมุดได้เอาศีลขันธ์สมาธาิขันธ์ปัญญาขันมีมุติขันธ์แล้วก็มีมุติญาทัสมะขันธ์ไปด้วยหรือไม่พระสายสาลูกศิษวว่ไม่ได้เอาไปเลยเนะี่ยทเจ้าก็เลยพูดให้สติกับพระอนววุโมทนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันย่อมต้องเสื่อมทลายไป ความปรารถนาที่จะให้สิ่งใดเนี่ยไม่มีการเสียทำลายภปยไม่ดีในฐานะที่จะเป็นไปได้และพุทธเจ้าก็สอนว่าเพราะฉะนั้นจึงเอาตึงตึงเอาตนเป็นต่อตึงเอาตนเป็นที่พึงหมายความว่าเอาตนเป็นเอาธรรมะเป็นต่อเอาธรรมะเป็นท่พึงเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะที่มีความเศร้าเสียใจ ในครูบาอาจารย์ที่ได้ลงลับไปแทนที่เราจะเศร้าโศกที่ท่านได้ลงลับก็คือขนาดว่าท่านนั้นจากไปจากตัวแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาคำสอนของท่านส ต, ติและความรู้สุกตัวความบุค ค, ค้นจากความทุกคนนนความไม่ทุกนั้นก็ยังอยู่รอการเข้าถึงจากเรานี่คือ สิ่งที่เราปรุงตัณหาและควรทําความเคียนเพื่อที่จะทําสิ่งนั้นให้ปรากฏแก่เราและถ้าเราทําช่นนั้นได้นะเราก็จะสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าเราลงโยนสิ่งของก็ขัดเคียนเป็นบุตของพระพุทธองค์อย่างสมภพคนะภูเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มา การวัหลวงพ่อสําเขียนมากรวัตสิริรั์ท่านในวันนี้ก็ขอให้เราได้พิจารณาว่าในความสูญเสียที่เกิดกับเราอันเป็นสิทธิของท่านเราคึงจะได้รับสัจธรรมจากท่านมาเป็นเครื่องเึดใจในการ จเจริญ อ, อัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตเพื่อจะได้เริทําำตามเพียนเริ่มต้นด้วยการมีสติความรู้สึกตัวไม่ใช่เพียนเพื่อทำใจให้สงมบมแต่เพื่อทำใจให้สว่างมีปัญญาในความจริงของชีวิตของกายและใจของรูปแรงนา เห็นความเข้าใจเห็นความจริงนะของก็ตจลำเคือที่เราจะได้ไม่ลวมติดอยู่กับความยึดมั่นหรือมั่นอันเป็นภูกอันทำให้เจ็บภูมิอาตมาก็ได้รามาพอสมเหตุใจ่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างถึงคุณสุนั้นะตรายทำลายวัให้มมทุกท่าน ได้จเจริญด้วยอายุวันละสุขามละเพื่อเป็นพลวัตใจในการทํำความดีที่สิทั้งเรื่องวาพเดื่อศีลด้วยภาวนาหลายทุกท่านได้ทําความเพียงเพื่อให้มีสติความรู้สึกตัวอันจะนําพาทุกท่านให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตจนจิตสว่าเห็นทางครรลุเข้าถึงความสุขเกษมสาร มีตรรกะเป็นที่หมายด้วยการสะกดไป